แล้วการภาวนาอาณาปานสติทุกครั้งอย่าไปลัดนะให้เริ่มต้นตั้งแต่น้นเลยไล่ไปเลยตั้งแต่ <c oughs> นั่งคู่บัลลังให้จิตเข้าไปรู้ในการนั่งจัดระเบียบร่างกายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้า คำว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยก็นําความรู้สึกกลับมาอยู่ที่กายอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็เข้าไปสู่ฐานที่ตั้งให้จิตกขหดตัวออกมาจากสิ่งต่างๆจำไว้ว่าไอ้ดำรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่ที่เราเคยทำมานะถูกที่สุดแล้ว คือนำความรู้สึกมาอยู่ที่กายอยู่ที่ใบหน้าอย่างช้าๆไม่ต้องรีบแล้วก็เข้ามาอยู่ตรงตรงฐานที่ตั้งของจิตตรงช่วงปลายจมูกที่ลมกระทบที่เรารู้สึกได้นั่นแหละจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจ โดยบทบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโซสโตวะอัตสติสโตปัสสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเราก็ทดสอบสร้างสภาวะจิตรู้นะด้วยลมหายใจออกเพื่ออะไรก็เพื่อให้จิตรู้กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ ตามธรรมชาติของตนเองมากยิ่งมากที่สุดด้วยการเรารู้ให้จิตรู้ไปรู้ลมที่หายใจออกก่อนพอเขารู้ลมออกอย่างไรเขาจะรู้ลมเข้าอย่างนั้นแหละสภาพความเป็นธรรมชาติมันก็จะแยกกันมากดีมากกว่าการรู้ลมหายใจเข้าก่อนเพราะเวลาเรารู้ลมหายใจเข้าก่อนมันจะเป็นการกําหนดลมกระชากเข้าไปเนี่ยมีการกําหนดมากกว่า เรียกว่าถ้มีการกำหนดมากกว่ามันก็ทำให้รู้ลมออกด้วยการกาหนดด้วยแต่นี้เราเริ่มต้นด้วยการรู้ลมออกก่อนจนรู้มันมีธรรมชาติในการรู้ลมหายใจได้ดีแล้วจากนั้นเราก็เข้าสู่รู้ลมหายใจด้วยการตั้งรู้ไว้ที่ฐานที่ตั้งนั่นแหละ แล้วก็เฝ้ารู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องเรกๆก็ทำลมหายใจให้ยาวก่อนเฝ้าจิตรู้ไว้ตรงฐานที่ตั้งนะตรงนั้นเ็าเรียกว่านิมิตนะที่ท่านว่านิมิตตั้งอัศสาสะปัสสาสา อ น, นารัมมะนะเบกจิตตสส ะ, ะ, ะนิมิดหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งเนี่ยอนารัมมะเอกจิตตสสะมันไม่ใช่อารมณ์ของจิตดวงเดียวคือว่ามันแยกกันเป็นสามประการอะชาณโตตาโยธรมเมว่าผู้ที่ไม่รู้เรื่องสามเรื่องนี้ภาวนูนักพาวพาวนู ปลปติก็ย่อมไม่ได้การภาวนาอยู่ว่านั่งไงตายกับภาวนาก็ไม่ขึ้นแต่ว่าชาณาโตจะตยโยธรมเบภาวนาอุปัลปัติว่าผู้ที่รู้เรื่องสามเรื่องนี้เรีว่ารู้เรื่องของที่ตั้งรู้เรื่องลมหายใจออกรู้เรื่องลมหายใจเข้ารู้สามเรื่องนี้ให้มันแยกกันภาวนาอุปัลปัติภาวนาก็จะตั้งขึ้น ันจิตรู้มันก็จะเฝ้าอยู่ตรงที่ที่ตั้งนั่นแหละเฝ้ารู้ลมคำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยสภาพของรู้ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเราไม่ต้องไปจัดการอะไรให้มันมากมาย เพียงแค่รู้ตามระยะเวลาระยะเวลาก็หมายความว่าเฝ้ารู้ตั้งแต่ต้นลมก็รู้เนี่ยระยะเวลาอย่างนี้นะเรียกว่าระยะเวลายาวลมออกรู้แต่อย่าไปท่องนะให้มันเป็นกิริยารู้รู้ต่อเนื่องรู้นี่ลมออกพอลมเข้าก็ รู้ตนลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจรู้อย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรกๆมันจะเป็นลมที่ยาวเพราะว่าเราไปกำหนดให้ยาวเพื่อให้มันให้ลมมันสบายสบาย จนลมมันปกติได้นั่นแหะแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆทําเหตุอย่างนี้รู้ไปให้ถูกต้องอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆจนลมมันรู้สึกสั้นจนลมหายใจเรามันสั้นแต่จิตรู้ยังปกติไม่อึดอัดนั้นทบายอยู่อันั้นเรียกว่าลมสั้นทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ เวทนาเกิดเอาความรู้ที่เรื่องของขันว่านี้เวทนาขันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ทรงตัวอยู่อย่างนี้จิตรู้มันจะแยกจากแยกออกมาจากเวทนาเห็นเวทนาเป็นเวทนา แต่มันเกิดเป็นกระแสะเย็นกระแสะรู้นะรู้ที่รู้ลงหายใจแต่ว่ารู้ที่ตั้งอยู่ที่ตั้งมันเป็นกระแสะเย็นก็แค่รู้เท่านะั้นแค่รู้ไป จิตมันกระด้างกปรับให้มันนุ่มปรับลมให้นุ่มปรับจิตให้นุ่มจิตที่รู้ปรับให้คนนุ่ม <c oughs> ค่อยออกจากสมาธิตั้งใจแผ่เมตตานะ <c oughs> น้อมบุญกุศลที่ได้ตั้งใจทำวันนี้แผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทาง ทั้งที่อยู่ที่นี่สำเพอสีทั้งหลายเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสัดในกำเดื่อทั้งสี่ทั้งที่เกิดในครันเกิดในไทยเกิดในเท่าใครและที่โกดเกิดผุดขึ้นผู้ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ที่สุขอยู่แล้วก็คอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ยังมีกิเลสเกิดชาติหน้าพบใหม่ให้ได้ใกล้ชิดประรัตน์ใจให้มีความเลื่อมใสในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและมีมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเจริญรุ่งเรืองจาบจนถึงพระนิพพานทุกรูปทุกนามเทิน <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะ